ในในกลุ่มของอิทธิวุติกะก็แสดงไว้ในเรื่องของอกุศลรมูลเหมือนกันคือพูดถึงในเรื่องของว่าพระสูตรพภพเร่เจ้าตรัสไว้บอกว่าข้าพระเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ว่าดูก่อนภิกสูตรทั้งหลายอากุศลรมูล3ประการ3ประการเป็นไฉหนคือโลกภาพเป็นอกุศลรมูลโทสาเป็นอกุศลรมูลแล้วก็โมหะเป็นอกุศลรมูล ดูก่อิกษุทั้งหลายอากุศลมูลสาประการนี้ <c oughs> แลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเนื้อความแล้วในพระสูตรก็ได้ประพันธ์คาถาว่าโลพาโทสะและโมหะเกิดในตนเกิดแล้วในตนเบียดเบียนบุรุษผู้มีจิตอลาโมกเหมือนขุยไผ่ย่อมเบียดเบียนไม้ไผ่ไปฉะนั้นเนื้อความนี้พระพุทธเจ้าตรัสแล้วนีข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้เป็นต้นเออในชั้นของป่าจกถา ในอกักษรโมูลสูตรเนี่ยท่านแสดงว่าตีนี้เป็นการกําหนดนับจํานวนอีมานี้เป็นคําชี้ชัดถึงสิ่งที่ที่อยู่เฉพาะหน้าอากักษรโมูรานีก็เป็นตัวอย่างเห่งธรรมที่เป็นทรงแสดงและกําหนดไว้อกักษรโมูรานีท่านอธิบายบอกว่ากิเลสชาติกิเลส ช, ช, ช, ชาติก็คืออกักษรโมูลเนี่ยเพราะมันเป็นทั้งอกุศลเป็นทั้งรากเง้าของอกุศลจึงเรียกว่าอากักษรโมูล เป็นอกุศนด้วยเป็นรากเป็นรากของอกุศนด้วยเป็นรากเง่าด้วยชื่อว่าเป็นอกุ u ศนลมูลเพราะเป็นรากเง่าของอกุ u ศน์ลธรรมทั้งหลายก็โดยหมายความว่าอาจจะไม่ดังนะําว่าเป็นรากเง่าเนี่ยนะหมายถึงอะไรรากเง่าในที่นั้นก็หมายความว่าเป็นเหตุเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นปะพวะ คือแดนเกิดก่อนเป็นแดนที่เกิดก่อนเป็นชนกะแปลว่าอะไรชนะกะผู้ให้กําเนิดผู้ให้เกิดเป็นสมุทถาประกะ ส, สมุทถาประกาในที่นั้นแปลว่าผู้สถาปนาสมุทถาประกาสมุทถาประกะเป็นนิพพัตกะนิพพัตกะก็คือผู้ให้เกิด แห่งอากุศลธรรมทั้งหลายคือเป็นทั้งกรณะคือเหตุแห่งอากุศลธรรมทั้งหลาย <growers S 1> เพราะว่ากรณะท่านเรียกว่าเหตุเพราะเป็นแด น, น, นคือเป็นคือเป็นที่เป็นไปแห่งผลเป็นปัจจัยเพราะเป็นเหตุให้ให้ผลอาศัยเป็นไปถ้าเป็นปัจจัยเนี่ยเป็นเหตุที่เป็นเหตุให้ให้ผลอาศัย เขาเรียกปัจจัยในที่นั้นก็คือว่าเป็นเป็นเหตุที่จะให้ผลนั้นอาศัยอาศัยเป็นไปผลจะเป็นไปได้นั้นก็ต้องอาศัยธรรมะที่เกิดจากเขตฉะนั้นอกุสรมูลเนี่ยนะราคาตทสาวโมหะเนี่ยเป็นอกุศลด้วยเป็นมูลด้วยเป็นกรณะคือเป็นเหตุด้วยเป็นเหตุก็คือให้ผลอาศัยเป็นไปคำว่าให้ผลอาศัยเป็นไปก็คือให้ทุจริตกรรมทั้งหลาย ให้อกุสโธรรมทั้งหลายที่เกิดพร้อมกันกับเขาเนี่ยเป็นไปถ้ายกตัวอย่างเช่นราคะโทสะและโมหะใช่ไหมราคะเวลาเกิดขึ้นเนี่ยอคุสโธรรม ท, ที่เกิดพร้อมกับราคะเขเยอะจิตเนี่ยก็ชื่อว่าเป็นอกุสโธรรม ท, ที่เกิดพร้อมกับอคุศโมูลและก็พวกโม ห, อ ห, อหโะอิทิการอิทิกานู่นตะปะอุเทจางเนี่ยนะแล้วก็มานะอย่างเงี้ยทิฏฐิเงี้ย ภาษาเวทนาสัญญาเจตนาเป็นต้นที่เกิดพร้อมกันกับอากุศล ต, ต่างๆเหล่านั้นเชื่อว่าเป็นผลนะอันนั้นนะ่อากุศลมูลเป็นเหตุให้ผลนั่นแหละอาศัยเป็นไปเขาเรียกว่าป่าภาวะเพราะเป็นแดนเกิดก่อนแห่งผลเรียกว่าชนะกะเพราะ ย, ยังผลของตนให้เกิดทั้งด้านของชนะกะใช่ไหมชนะกะในที่นี้ก็คือยังผลของตนให้เกิดเป็นทั้งสหาชาตะเป็นทั้ง ถ้าดูจากว่าเป็นสหชาตะก ร, รมากก็เป็นได้ใช่ไหแต่หมายความว่าเป็นในฐานะไม่ใช่เป็นตัวก ร, รนะเป็นในฐานะที่เป็นไปในส่วนก็เกิดเกิดพร้อมเกิดพร้อมแต่ในขณะเดียวกันน่ถ้าพูดถึงในกรณีของตัวปัจจัยตัวอื่นนะเช่นเหตุตัปัจจัยอย่างเงี้ยโลภะโทสะโมหะนี่ก็เป็นเหตุตัปัจจัยสภาวธรรมที่เกิดร่วมก็เลยกลายเป็น เหตุปปัจจิยุปันนะนะเป็นปัจจิุบันไปยังผลของตนให้ให้เกิดขึ้นในเป็นไปคําว่าสมุทาประกาศเพราะให้ให้ผลิตผลนิพพัตตะกะก็เพราะยังผลให้เกิดขึ้นชั้นใดกิเลสชาติคือโลภะกิเลสชาติคือโทสะกิเลสชาติก็คือโมหะเนี่ยชื่อเป็นรากเหง้าเพราะอาจว่าเป็นที่ตั้งแห่งอกุศลธรรมทั้งหลายอากุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริต บาปอกุศลธรรมทั้งหลายนั่นเน่ยเมื่อได้ที่ตั้งกล่าวคืออกุศลมูลเหล่านี้ก็มีความเจริญไปบุญมีความเจริญไปบุญเป็นไปได้นั้นอกุศลธรรมทั้งหลายสําเร็จเป็นที่ตั้งให้สมบูรณ์แล้วส่วนในกรณีบางกล่าวอาจารย์บางท่านท่านบอกว่าความโลภที่ให้อกุศลทำลายสําเร็จเนี่ยเป็นอกุศลเนี่ยเป็นรากเป็นเป็นมูลของอกุศลธรรมนั้นเนี่ยโลภโทสะโมหะเป็นต้นเหล่าเนี้นะ เหมือนกับพืชพันธุ์ของข้าวสาลีเป็นต้น น, นั่นงนอหรือพืชพันธุ์ของข้าวสาลีเป็นมูลฐานของข้าวสาลีหมายความว่ามเมล็ดข้าวที่เอาไปเพาะปลูกเนี่ยที่สุดจริงๆก็สามารถให้มเมล็ดข้าวสาลีนั้นออกมาเป็นรวงมีจำนวนมากมายได้ชั้นใดราคาโทสะโมหะที่อยู่ในใจของสัตว์ทั้งหลายก็ฉันนั้นแหละความเจริญภัยบุญของกลุ่มอกุโรธรรมทั้งหลายเนี่ย ที่มันลุ่งเรืองออกมาได้อย่างมากมายนั้นน่ยก็เพราะมีรากก็เพราะมีเหตุก็เพราะมีปัจจัยมีกัลยาณมีชนก ะ, ะ, ะกะมีสมุปปะกะคือผลิตผลนี่มี น, น, พนิพัตติกะก็คือว่ายังผลให้เกิดขึ้นต่างๆเหล่านี้หรือเหมือนน้ําใสดุดแก้วมณีอันเป็นมูลรากของของปะกายของอัญญมณีฉะนั้นในรูปที่มีอกุศลและจิตเป็นสมุทฐาน ไม่พึงมีความที่อกุศลมูลเหล่านั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพราะรูปที่มีอกุศลจิตเป็นสมุถานั้นให้สำเร็จความเป็นอกุศลธรรมแก่มันไม่ได้ท่านก็บอกว่าอากุศลจิตตชรูปไม่ก่าวเพราะเป็นสภาพที่ตรงกันข้ามกับอกุศลเพราะอากุศลเป็นนามธรรมทวิบากของอกุศลก็ต้องเป็นนามธรรมาฉะนั้นถ้าจะให้วิบากก็ต้องให้วิบากเป็นนามธรรมว่าง ตรงนี้ก็ไปตรงกับในหลักของของอภิธรรมเนี่ยนะที่ท่านพูดถึงในเรื่องของวิปากติกะหรือวิปากะปจจัจคำว่าวิปากะปบ ะ, ะ, นะัจนั้นอ่ะไม่ได้ขับเน้นไปที่รูปเพราะวิปาวิบากในที่นั้นนะ่ะต้องเป็นธรรมชาติที่เหมือนกันกับผลเออขอไปเหมือนกันกับเหตุตัวเหตุเป็นนามธรรมตัวผลต้องเป็นนามธรรมเหมือนกัน ทีนี้เหตุเป็นนามธรรมผลจะเป็นรูปรู ป, รปธรรมนั้นน่ะมันไม่เป็นสภาพที่เหมือนกันแต่ท่านจัดว่าเป็นผลโดยอ้อมนะเป็นผลโดยอ้อมไม่ใช่มุขยาผลแต่เป็นเป็นผลโดยอ้อมเป็นสามัญญาผลไปเป็นผลโดยอ้อมเหตุตัปัจจัยโดยเหตุตัปัจจัยก็จะแก่ธรรมทั้งหลายที่สัมปยุทธ์ด้วยกับเตุและรูปทั้งหลายที่ ที่มีธรรมที่สัมปยุตกับเหตุเหล่านั้นเป็นสมุทฐานก็หมายความว่าถ้าเราดูถึงตัวจิตตะชรูปนะจิตตะชรูปที่เกิดที่อุปาทัคณะ ข, ของโลภะโทสะโมหะเนี่ยที่โลภะจิตโทสะจิตและก็โมหะจิตมีอกุศลจิตตะชรูปเกิดขึ้นมาในขณะที่โลภะโทสะโมหะจิตเกิดขึ้นแต่ในขณะที่โลภะโทสะโมหะที่เป็นรากเง้าของอกุศลและจิตเกิดขึ้นมาเนี่ยนะ กุ่มเจตสิกธรรมเกิดขึ้นอาคุสรจิตเกิดขึ้นเจตสิกอื่นๆที่เกิดพร้อมก็เกิดขึ้นถ้าพูดถึงผลของเขาโดยตรงก็นั่นแหละคือสภาวะธรรมที่เกิดพร้อมกับราคะเกิดพร้อมกับโทสะและก็เกิดพร้อมกับโมหะที่อยู่ในฐานะเป็นสัมปยุตแต่ปัจจัยเป็นอัญญามัญญะเป็นสาชาตะเป็นต้นเหล่านี้นะที่เป็นไปเกิดพร้อมกันกันกบเขา แต่ถ้าถามบอกว่าราคะด้วยโทสะด้วยโมหะด้วยนะจิตที่กล่าวไปแล้วเมื่อวานนี้ก็มาพูดถึงวันนี้ในขณะที่ราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นแล้วก็ทำที่เกิดพร้อมกันกันกบราคะโทสะโมหะนั่นแหละเขายังจิตตะเชลปให้เป็นไปเขาถึงบอกว่าอกุศลจิตตชโลปนั้นมีโลภะเหตุโทสะเหตุโมหะเหตุและทำที่สัมปยุศกเหตุนั้นเป็นปัจจัยเป็นปัจจัยทําให้เกิดขึ้น ก็เมื่อมีโมหะเป็นอกุศลไม่พึงมีแ ก, ออแก่อาเหตุถูกาศัพต์เพราะไม่มีรากไม่มีรากเง่าอย่างอื่นที่ให้สําเร็จความเป็นอกุศลอันหนึ่งความที่ทําทั้งหลายมีโลภะเป็นต้นพึงเป็นอกุศลเป็นต้นสําเร็จด้วยสภาวะพึงมีได้แต่ความที่ทําทั้งหลายที่สัมยุญด้วยโลภะเป็นต้นเหล่านั้นเป็นอกุศลเป็นต้นเป็นธรรมที่เนื่องด้วยโลภะเป็นต้นพึงมีได้ดังนี้ แม้เมื่อเป็นเช่นนั้นความที่อกุศลธรรมทั้งหลายแม้มีอโลภะกลุ่มอกุศลธรรมนี่นะโดยสภ า, าวะก็เหมือนความที่โลโสก็เหมือนกับโลภะเป็นต้นเป็นอกุศลสําเร็จโดยสภาะวะอย่างนั้นเหมือนกันท่านกล่าวในลกนักษณะนี้ตรงนี้ท่านวิจัยเกี่ยวในเรื่องของอกุศลมูลที่เป็นโลภะอกุศลมูลที่เป็นโทสะแล้วก็อกุศลมูลที่เป็นโมหะที่กล่าวไว้เมื่อเมื่อวานนี้นะที่พูดถึงว่า จิตที่เป็นไปกับราคะจิตที่เป็นไปกับโทสะแล้วก็จิตที่เป็นไปกับโมหะที่ได้พูดถึงในเรื่องของจิตมีราคะก็รู้ชัดว่าจิตมีราคะแล้วก็ปราศจากราคะอันนั้นยังไม่ได้แยกประเภทออกไปจิตมีโทสะก็รู้ชัดว่าจิตมีโทสะแล้วก็จิตมีโมหะก็รู้ชัดว่าจิตมีโมหะที่จริงตรงนี้ท่านพูดถึงในเรื่องของพูดถึงในเรื่องของโมหะจิตก่อนเมื่อวานนี้ได้กล่าวไปตรงเนี้ยสมโมหะจิต ตรงนี้ก็คือว่าพูดถึงในเรื่องของโมมุฮจิตได้กล่าวไปแล้วนะอกุศล จ, จิตเนี่ยหมายถึงจิตที่มีโมหะพิเศษกว่าจิตดวงอื่นท่านเลยเรียกโมมูหะจิตดังที่ได้กล่าวว่าเป็นจิตที่มีความหลงอย่างแรงอย่างยิ่งและอย่างเหลือเกินก็ไว้ส่วนวีตะโมหังเนี่ยนะจิตที่ปราศจากโมหะมีองค์ธรรมเหมือนกับวีตราคะแต่มีการเว้นอกุศล จ, จิตมากกว่าตรงนี้สรุปก็คือว่า คือเว้นอกุศลจิตสิเว้นโลภะด้วยโทสะด้วยก็แปลว่ากินความกินความไปถึงตรงนั้นด้วยประการต่อมาพูดถึงในเรื่องของเกี่ยวในเรื่องของสังขิตตังสังขิตตังสังขิตตจิตเนี่ยนะภาชานาติย่อมรู้ชัดซึ่งจิตจิตตังเนี่ยสังขิตตังก็คือที่ท้อแท้และหดหู่ บอกว่าสังกิดตังจิตตังเนี่ยจิตที่ทอแท้และโหดถูถามว่าจิตที่ทอแท้และโหดถูคือจิตดวงไหนสังกิดตังเนี่ยสังอุ ป, อปสะก็คือบวกขิปนาทาบวกตาปัจจัยก็คือแปลว่าจิตที่ย่อหย่อนก็หมายถึงจิตที่ทอแท้นั่นไปดูในในชั้นของพุทธพจน์ที่ท่านใช้คาว่าจิตที่จิตที่หดถูใช่ จิตหดหูในรม์จิตที่ท้อแท้หดหูในอารมณ์ต่างๆได้แก่สสังขาริกอกุโลรักอกุศ ล, ศลจิตหดวงซึ่งเป็นจิตที่ประกอบด้วยถีนะและมิธาเจดสิกมีดวงไหนบ้างถีนะและมิธาเจดสิกเนี่ยที่ประกอบอกุศลสรสสารขาลิกจิต5โลภะโลภะสสังขาลิก โลพาสสังคาลิก4ี่ใช่ไหมแล้วก็โทส ะ, สะสังคาลิกหนึ่งสรุปแล้วในโทสะจิตก็มีถีนาละมิทะคือธรรมชาติที่หดขู่เนี่ยถีนาเนี่ ย, เ, ยเสื่องซึมท้อถอยแห่งจิตเขาไปกระชากจิตให้เสื่องซึมแล้วก็ท้อถอยในชั้นของอภิธรรมอัตถกถาในชั้นของกัมพิวุสติมัคท่านพูดถึงลักษณะของของถีนะก็ไว้บอกว่า มีบอกความไม่มีความพยายามลักษณะของเขาก็คือไม่มีความพยายามเขาไปเข้าไปตัดรอนความเกียจค้านตัดรอนวิริยะธาตุอารัปธาตุเนี่ยถูกตัดรอนนิกรมาธาตุก็ถูกตัดรอนปรักรามาธาตุไม่ต้องพูดถึงแล้วฉะนั้นตัวถีนะเนี่ยจะเข้าไปตัดรอนเพราะลักษณะของเขาคือความไม่มีความพยายาม สภาวะสภาพธรรมของเขาคือไม่มีความพยายามเลยไม่มีความพยายามในการที่จะเดินจิตขึ้นสู่วิถีที่เป็นที่เป็นกุศลและกิจจระศักดิ์ของของวิริยะคือเขามีหน้าที่ในการทําลายความเพียรทําลายวิริยะฉะนั้นกิจรารักดิ์ของถีนาเนี่ยเขาทำลายความเพียรเมื่อถีนาเกิดขึ้นมาเนี่ยความเพียรก็ถูกทําลายไปด้วย คำว่าทำลายความเพียรในที่นั้นก็คือธรรมชาติที่ค้ำจุนกุศลนะค้ำจุนกุศลนะอุปัฏฐานาการะก็คือว่าอาการที่ท้อถอยในกิจนั้นหรือเหตุแห่งความท้อถอยแห่งธรรมทั้งหลายที่เกิดพร้อมกันกับต น, นถามว่าเขาตัวเขาท้อถอยด้วยใช่ไหมเขาทํากิจเบ็ดเสร็จแล้วก็เขาก็ท้อถอยแล้วสภาพธรรมที่เกิดพร้อมกับถีนะไม่ว่าจะเป็นโลภะ ส, สังขาริศขึ้ง4นั่นแหละ ทั้งเป็นโสมนัสทั้งเป็นอุเบกขานั่นแหละก็ท้อถอยแม้แต่โทสะก็ท้อถอยท้อถอยผลปัจจุปฐานนะคือสภาพธรรมที่ก่อให้เกิดคือก่อให้ธรรมที่เกิดพร้อมกับตนนะ่ะเกิดความท้อถอยด้วยถามประทัด ฐ, ฐานประทั ฐ, ฐานนะของของถีนามิท้าได้แก่อยโยนิโสมนัสิกานถ้าไปดูในธรรมานุปัสสนาสี่ประฐานเนี่ยท่านจะกล่าวเขา ว, ว่า อโยนิโสมมนัสิการคือการที่ไม่ไม่มีการยาณมนัสิการไม่มีอุปายามนัสิการไม่มีปัฏฐามนัสิการก็ไม่มีอุปาทกามมนัสิการคือไม่มีการใส่ใจผิดใส่ใจโดยไม่ถี่ท้วนไม่พิจารณาด้วยปัญญาในความไม่ยินดีเกิดความเบื่อหน่ายในการเจริญกุศลคือพูดถึงฐานนะกุศลก็ท้อแล้วท้อ ศีลกุศลภาวนากุศลการฟังธรรมก็ท้อการศึกษาพระธรรมต่างๆเหลา่านี้มันจะตัดรอนเมือนเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายในการเจริญกุศลสรุปก็คือว่าทานศีลภาวนาอัยายนะจญญานะวยาวัจะปฏิทานะปตานุโมทนาธรรมสวนาธรรมเทศนาใช่ไหมแม้แต่การจะคิดให้เข้าสู่กุศลกรรมทั้งหลายเนี่ย ท้อหมดเลยตัวตัวถีนมิทะเกิดขึ้นมาเพราะอะไรเพราะเนี่ยอโยนิโสในการใส่ใจผิดนี่แหละใส่ใจไม่ถี่ทุวนเพราะใส่ใจไม่ถี่ทุวนใช่ไหมคนที่จะเบอเบอร์นีคนที่จะเนี่ยเพราะใส่ใจไม่ถี่ทุวนไม่พิจารณาด้วยปัญญาชอบแล้วก็เกิดความไม่ยินดีเบื่อหน่ายในบุญกิริยาวัตถุ10เบื่อหน่ายในกุศลกรรมบท10เบื่อหน่ายในมัท ในสัมมารมรรคในส ม, มาทิฏฐิสัมมาสังกัปะทั้งหลายเกิดเบือ่อหนายไปหมดแล้วมันคอยตัดรอนหมดใช่ไหมตัดรอนเนี่ยไม่ให้วิริยะคือระดมความระดมกุศลไม่ขึ้นระดมกุศลไม่ขึ้นเพราะคิดไม่ถี่ทวนไม่คิดไม่พิจารณาด้วยปัญญาและเกิดความไม่ยินดีไม่ล่าเริงเป็นอโยนิโส นะตัวอายุนิโสเนี่ยเป็นเหตุใกล้ของถีนะมิธาเป็นทั้งโลพาและโทสัเป็นทั้งโลเป็นปัจจัยทั้งโลพาและโทสัแปลกไหมทั้งทั้งหดเหงียง่ายด้วยแล้วก็แล้วก็ซึมเซาด้วยเออเนี่ยถีน่าจะเป็นอย่างนี้นะถีน่าเป็นอย่างนี้อันนั้นเป็นความหดหูส่วนส่วนมิธาเนี่ยมาจากคำว่ามิทังอะกรมมัญญาตาลขนง มีความไม่ควรในการงานนั้นๆแห่งเจตสิกแห่งเจตสิกธรรมเขาเรียกไม่ควรต่อการงานนั้นๆแปลว่าอะไรเนี่ยพวกระหูตามุทุตากรรมยาตาเป็นต้นเหล่านี้เดินไม่ขึ้นหนักมากหนักมากไม่ควรเลยพว ก, กจิตเจตสิกมีความอืดมากนะมีความอืดมากกิจเจรจ า, าก็คือปิดกั้นทวารกับวิ ญ, ญญาณ ปิดกั thing, ้นทวารกวิญญาณปิดยังไงปิดกั้นทวารกวิญญาณเนี่ยปิดยังไงอ่ะป็นกั้นยังไงปิดกั้นทวารกวิญญาณเนี่ยปิดกั้นยังไงฮะกิจราศาสเนี่ยปิดกั้นทวารกับวิญญาณเนี่ยก็แปลว่าไม่ให้วิถีจิตเกิดขึ้นได้สะดวกนะปิดกั้น จักรคทวารและวิถีโสตทวารละวิถีคานทวารวิถีคือปกติเนี่ยจักขุทวารวิถีจะเชื่อมโยงสู่มโนทวารละวิถีโสตทวารวิถีก็จะลงสู่มโนคานทวารก็จะลงสุโมเชิวหาทวารก็จะลงสุโมใช่ไหมกายยะทวารวิถีก็จะลงสุโมหรือมโนทวารลวิถีก็จะปลารบทำอารมณ์ปาลบอารมณ์หเนี่ยมันปลาลบไม่ขึ้นโดยส่วนใหญ่ลากผวังยาวขึ้นก็อืดขึ้นโดยมากก็เป็นอกุศลอกุศลก็เป็นกลุ่มสังขาริก ที่เป็นโลภาสสังคาลิกเขาคอยตอกย้ำไม่เกิดความบิดกายเกิดความอ่อนแอมอะไรเนี่ยเขาปิดกั้นทวารและปิดกั้นวิญญาณบอกว่าอย่าเยอะขึ้นมานะอย่าขึ้นมานะคือลากยาวไปก่อนแล้วขึ้นมาก็เป็นอักุศลอ่าลากยาวไปก่อนขึ้นมาก็เปิดช่องให้อกุศนอย่างเงี้ยเพราะเขาใส่ใจไม่ถี่ทวนไงไอการใส่ใส่ให้อาหารเขาเนี่ยไม่ถี่ทวนมันจะเป็นใบแบบเนี้ยนั่นแหละให้สังเกต ด, ดูว่าตัวถีนมิท้าจะเกิดเนี้ยโยมแก้วเป็นแบบเนี้ย เข้าใจใช่ไหมเออจะเป็นอย่างนั้นแหละมันหงอยเหงาซึมเศร้าแล้วไม่มีตื่นเต้นอะไรเลยเพราะงนั้นนะตื่นเต้นอย่างเดียวถ้าหากว่าเข้าดูในห้างในหนังในภาพยนภั์ในดูอะไรเงี้ยวันนี้ตื่นเต้นเลถ้าเรื่องตื่นเต้นอย่างอื่นจะไปแต่ถ้าเรื่องกุศลแล้วขอขออยู่ข้างหลังไว้ก่อนไม่ตื่นเต้นแล้วมันเหนื่อยนายท้อแท้เขาเรียกปิดการอีกอย่างปัจจุปัฏฐานนะก็คือสภาพที่ปรากฏก็คือว่า สภาพที่ท้อถอยจากจากการรับอารมณ์ถามว่าการรับอารมณ์ก็ท้อถอยอมิท้านนี่นะการรับอารมณ์จะท้อถอยแล้วส่วนผลปัจจุบันนะสภาพที่ทําให้ผลคือความง่วงนอนง่วงนอนจนสลืมสลือเกิดขึ้นเลยถ้ามิถาน่ะทาให้ง่วงทําให้ซึมสลืมสลือถ้าดูจากสรีละท่อนบนตาก็ปือนอกนั้นก็เริ่มเริ่มไม่ ทรงกายไว้แทบไม่ค่อยอยู่แล้วหมดสภาพที่ว่าเนี่ยนั่นแหละคืออย่างนี้ก็เรียกผลปัจจุประานนะผลที่เห็นออกมาทั้งรู ป, ปรกายอาการที่ตาปลืออาการที่สรีละเริ่มเริ่มสุดลงเริ่มงอลงเริ่มไม่ตั้งตรงเป็นต้นเหล่านี้คือสรีละที่ดูอย่างดูจากสง่างามเนี่ยกลายเป็นกลายเป็นไม่งามแล้วจะมีอาการสุดมีอาการปลือมีอาการง่วง อะไรต่างเกิดขึ้นนั้นคือผลผลออกมาแล้วปัญหามาจากประทัดฐานนะคือเหตุใกล้อยโยนิโสมสรสศกรความใส่ใจโดยไม่ถี่ทวนไม่พิจารณาด้วยปัญญาก็คือความไม่ยินดีนเนเบื่อหน่ายใ น, ในการเจริญกุศลในความดีการบิดกายการเหยียดกาย น, นนะ่ก็หมายความไว้ตรงเนี้ยการให้อาหารผิดพลาดการให้ปัจจัยผิดพลาสดสรุปทีหน้ากมิทาเนี่ยอยู่ที่ อาโยนิสโมสมนละการไม่ถีท้วนนั้นเราจะทําให้เกิดได้ทุกวันและจะให้เกิดเป็นอัธยาศัยก็ได้ก็คือการใส่ใจให้การใส่ใจแบบไม่ถีท่วนการคิดแบบไม่ถีท้วนและการไม่พิจารณาด้วยปัญญาและความทําความไม่ยินดีบ่อยๆให้เกิดขึ้นในการเจริญกุศลไม่ยินดีไม่ไม่น่าเพลิดเพลินเลยถ้าพูดเรื่องทานก็ไม่น่าเพลิดเพลิน เรื่องศีลก็ไม่น่าเพิดเพลินเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาไม่น่าเพิดเพลินเรื่องปร ะ, ประโยชน์การเดินกุศลใดๆแล้วไม่น่าเพิดเพลินเนี่ยการที่เราเราเราใส่ข้อมูลแบบนี้เรื่อยๆเืๆ่อยๆทีหน้ามิถะก็มีกาลังแล้วถ้าเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนตัวไหนเราจะเปลี่ยนไม่ให้ทีหน้ามิทะเกิดจะเปลี่ยนตัวไหนใช่เขาเปลี่ยนตัวเนี้ย ถ้าใช้จริงต้องเปลี่ยนตัวนี้นะในชีวิตจริงอะ่ะในในชีวิตจริงอะ่ะงั้นง่ายถ้าเข้าใจเนี่ยนะถ้าเรารู้จักปัจจัยของเขาการการคิดการคิดให้ถี่ท่วนการวิจัยให้ถี่ท่วนปลุกเรา้าใช่ไหมคิดปลุกเรา้าความความยินดีในการเจริญกุศลให้เกิดขึ้นมากๆอันนี้แก้ไขได้นี่ในละเอียดตรงนี้พื้นฐานตรงนี้ก่อนเนี่ยนะนี่คือถี่น้ากับมีท่า จิตหดหูนี้มาจากคาว่าจิตหดหูจิตท้อถอยท้อแท้ในอารมณ์ซึ่งเป็นจิตที่ประกอบด้วยทีนะและมิท้าเจตสิกอันนี้เป็นสังขิ ต, ตจิตท่านท่านพระรรม迦ราจารย์บอกว่าเป็นสังกุ ต, ติสังกุ ต, ติสุงสังกุติ ต, ตจิตเขารียว่าจิตที่หดจิตที่ท้อถอยจิตที่หดหู ที่เป็นอย่างเงี้ยเาเรียกสังขิตังเอาต่อไปก็คือวิกขิตตังนะวิกขิตังนี่แปลว่าอะไรเนี่ยฮะพุงซ้งานนะพุงซ้านด้วยอะไรพุงซานด้วยอะไรอุทธจาอุทธจา ในอุทธะ น, นี่นะสหคตจิตเนี่ยมาจากคําว่าวิชขีดตังนวิในอุปศรคบวกคิปัดธาธตุตาปัจจัยก็แปลว่าจิตที่สร้านออกคําว่าสั้นในที่นี้คือสร้านออกก็หมายถึงจิตที่ฟุ้งสร้านไปในอารมณ์ต่างๆ่างฟุ้งสั้นไปในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ในธรรมอารมณ์ตรงเนี้นะคำว่าสร้านออกเนี่ยก็หมายความว่า ในกรณีที่ไปในอารมณ์ต่างๆอุทธจารสังขจารจิตเนี่ยนะหนึ่ดวงเนี่ยซึ่งเป็น1ในโมมูฮจิตเนี่ยไม่ได้หมายเอากอากุศลแจิตทั้งหมดนะอุทธจารเจติกเนี่ยประกอบอยู่ไม่ใช่เอาทั้งหมดเพราะอุทธจารเจติกประกอบได้ในอกุศล12จิตเหล่านั้นชื่อว่าไม่ซ้านมากเพราะมีเอกคตากํากับหรือ มีโลภะมีโทสะต่างๆนี้กากับอยู่นี่นะและกลุ่มอกุศน์ต่างๆนั้นคอยกากับอยู่เยอะแต่ถ้าจะให้เขาออกฤทธิ์ออกเดชมากๆเขาต้องมาเกิดตรงเขาอย่างเงี้ยที่เป็นอุทธะที่โมหะมูลจิตดวงที่สองเนี่ยนี่นะเขาจะมีมีเดชมีกำลังของเขาเขาแปลว่าเอาแรกเขาถ้าเข้ามาอยู่ตรงเนี้ยเขาทำกิจในการที่เป็นใหญ่เป็นใหญ่ได้ไปอยู่ที่อื่นเขาก็อยู่ในฐานะ ไม่ค่อยแสดงตัวตนออกมาเท่าไหร่แตมาตรงนี้เขาก็แสดงตัวตนแล้วมีกําลังแรงกับอุทจจะในอกุศลดวงอื่นๆนะเขาเรียกวิคิตจิตเนี่ยในชั้นของาภาษตกถาเขาเป็นภาษา ต, ะ ต, ะตะจิตก็แปลว่าจิตที่สร้านจิตที่ฟุ้งสัน้นหรือจิตที่ซัสดสายไปในรมตึงอื่นๆท่านใช้คําว่ามากกว่าอากุศลจติตดวงอื่นปกติอกุศลจติตดวงอื่นก็ฟุ้งก็สร้านอยู่แล้วใช่ไหม เพราะเขาไปกำกับอยู่แล้วแต่เขาทำงานได้ไม่เต็มที่เขาเลยบอกว่างั้นขอแยกตัวออกมาตั้งบริษัทเ้าด <c oughs> ีกว่าเขาเลยมาตั้งบริษัทอุททจา่าของเขาเลยแต่นี้แต่นี้โอ้โหพุ่งสร้างได้เต็มที่เลย <c oughs> ใช่ไหมสร้ <c oughs> <S s างไปในอารมณ์ได้ง่ายเลยสามารถไปในรูปบ <c oughs> er th um ้างในเสียงบ้างในกลิ่นบ้างในรสบ้างในสัมผัสและในธรรมอารมณ์บ้างใครเคยเดินจิตตรงนี้บ่อยลเล่าประสบการณ์ในการพุ่งสร้างในบางหน่อยได้ไหม มีไหมเอ๊เด okay ี๋ยวต้องถามใครดีนะจะถูกถูกหลักหน่อยที่ว่าใช้อุทธจาเป็นประจำแล้วใช้บ่อยมากเ่ยอ้าวเล่าอีกบางนิดหนึ่งสมัยอยู่ทางโลกะคเป็นนักออกแบบอะค่ะต้องคิดอะไรต่อเดี๋ยาวอะคาะออกแบบเปนยังไออกแบบแล้วมันงงง่ายมากอะค่ะอ๋อเป็นยังไง อ๋อไม่ใช่กุศลเลยตอนหลังก็เปลี่ยนเรื่องความคิดดีถ้ามาคิดอริยสัจนั่นน่ะจะได้ดีนะเนี่ยความคิดดีๆเนี่ยเปลี่ยนมานนเนะยเปลี่ยนมาคิดอริ ย, ย, ยๆๆรสัจเขาเรียกว่าจิตจิตจิตฟุ้งซาในลักษณะของของอุทธจารเนี่ยมาจากคาว่าอุททตัสสาพาวอุทจังตังเนี่ยนยึกบอกว่า สภาพธรรมมันเป็นเหตุแห่งจิตอันหวั่นไหวในเบื้องในเบื้องบนก็คือจิตฟุ้งซ่านเนี่ยชื่อว่าอุทะจักก็คือว่าสภาพธรรมมันเป็นเหตุแห่งมูธรรมที่หวั่นไหวในเบื้องบนก็คือว่าหมูธรรมที่ฟุ้งซ่านเน่ยชื่ออุทะจักมูธรรมคือจิตและเจตสิกที่ประกอบอุทะจักนั้นไม่สงบฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆเป็นสภาพธรรมที่เป็นเหตุถึงความฟุ้งซ่านในอารมณ์ของจิตและเจตสิกนั้นชื่ออุทะจักนะ ลักษณะของเขาก็คือไม่สงบแห่งจิตเหมือนกันน้ําที่กระเพื่อมเพราะแรงลมอ่ะกระเพื่อนกระเพื่อมตลอดไม่นิ่งเลยอ่ะไออุจจารก็เหมือนลมอ่ะนะไอ้น้ำทั้งหลายก็เหมือนกับจิตและเจสิกที่ประกอบก็กระเพื่อมไปเรื่อย ก, กระเพื่อมไปตามลมต่างๆเนี่ยลักษณะเขาจะเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรื่องลูกเรื่องสามีเรื่องทรัพย์เรื่องอะไรต่างๆู เ, อเยอะแยะไปหมดเสร็จเลยนะนั่งอยู่อย่างนี้ยังไม่สงบใจเลยเนี่ย มันก็จะไปทั่วมันอย่างเงี้ยนะไปไหมไปบ่อยไหมวันนี้ลักษณะนี้ก็แล้วอุทธจารลักษณะเขาเกิดขึ้นมาแล้วกิจจราศาสาก็คือว่าการที่จิตไม่ตั้งมั่นไม่ตั้งมั่นเหมือนอะไรเหมือนกระทงที่สะบัดไปมาปุบปับปปปเวลาลมพัดเน่ยเวลาปักทงอยู่ใช่ไหมเวลลมพัดมาพัดไปอย่างเงี้ยจิตก็อย่างแรงมากเอาไม่อยู่มันจะแหมแต่อย่างงี้นะคืออย่างเงี้เวลา ไออุทธจธ า, ธาธรทํากิดเนี่ยมันจะคิดปั๊บปั๊บป๊ป๊บ ป, ปไปเรื่อยเลยนะบางทีจะหยุดไม่ได้เอา<ม>คิดปั๊บปั๊บปั๊ปัป๊บไปเลยคนที่เขาเพี้ยนทั้งหลายเขาโรงพยาบาลบ้างหลายไปเจออุทจารตัวเนี้ยแล้วเอาไม่อยู่ไม่ได้คุมไม่ได้ต่อไปคุมไม่ได้ฮะ <c oughs> พูดคนเดียวอพูดคนเดียว เออ้ลยอออยู่กับโอ้อธิบายฟังหน่อยเป็นไงไม่ใช่ไม่ใช่มีไม่ใช่มีโลกของโลกที่เราเห็นนะโลกโลกจิตมีเยอะมากมีหลายชนิดแต่บางชนิด